ตัวเราทั้งหมดวาวธรรมก็คือปล่อยกุศลเราก็เว้นความชั่วทำความดีจิตบริสุทธิ์มีในก็คือความเป็นไปโดยความเป็นระเบียบเรียบร้อยทางกายกรรมไว้กี่รบมนโกกรร ม, ม, รรมเรียกว่า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 แล้วก็เปลี่ยนมาเป็นตัวลู่ลู่เห็นลู่เห็นกลับมาสร้างตัวลู่กลับมาสร้างตัวลูลวลพ่อว่าการสร้างตัวลู่มันมีฐานมันมีกรรมมีการกระทําแล้วกลับมาได้ทุกคนมันจะเป็นอะไรนอกจากความรู้สึกตัวแล้วก็กลับมาโดยเฉพาะสติปัฏฐานรูปแบบของกายบัญญพภะสัมมัชญะบัพภะกิจปพัพภะ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 ผิดความรู้สึกตัวเอาคขมหลงมาเป็นความรู้สึกตัวเอาคขมโกรธมาเป็นความรู้สึกตัวเอาความทุกข์เอาความสุขเอาความง่วงเหงาหอนอนมาเป็นความรู้สึกตัวเนี่ยจึงจะเป็นการปฏิบัติธรรมปฏิบัติคือเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนล้ายมาเป็นถูก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 ซื้อตำรับตำลาโอ้ ย, อยเยอะแยะไปหมดเลยเอาแปลออกไปแปลออกไปคัดออกไปจากสูตรพระอภิธรรมพระวินัยในหนังสือพ ร, พระไตรปิฎกจะเอาไปพูดอย่างไงจะไปทำอย่างไรบางคนเอาไปเป็นการบุญกรรมเป็นคาถาสักดิลิธิปฏิหารเห็น ย, ยอดพระไตยอดพระไตรปิฎกยอดพระปฏิโมก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 ดิแทเป็นคำสอน่อมาทาลายกิเลสแต่เราก็อาไปทามันเลยสัตาปฏิโลเจมิสัตาปฏิโลเจมิสัตาปฏิโยลเจมิสัพะลนานวัตุกายเจนกตุมมเรเตเสมิปาตาแดงพุดลงไปตาแดงหายก็นะใช่กันไปหลายอย่าง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 ความโลภความโกรธความหลงกลายปเป็นปัญญาความเลอความชังกลายปเป็นปัญญาความโง่งเอาเผลอนกระายมาเป็นปัญญาเป็นสติสมชัญญะนี่ผู้อสอนก็มั่นใจความมั่นใจก็ไม่ต้องกลัวอะไร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 ยาตะปริญญาลูปั๊บไปได้แล้วติลขณะปริญญาแจกแกงไม่เหลื อ, อเลยเลยถ้ามีจีเรศก็เหลือศูนย์หวานะปริญญาทำให้มันหมดไปความโกรธหมดไปความหลงหมดไปความทุกข์หมดไปอนานตรเารเนี่ยมันก็มีปริญญาคือชำนาญไม่ใช่จะไปหัดเขียนกอไก่ขอไขไม่ใช่เหมือนกับเราเรียนหนังสือ